ก็คิด <í>. ก็สอน่เมี nice ีจม nice ีดีใจดีใจตองเราทุกคนแตวี่รรมะตใจที่แกนะเป็นเงินเป็นตาะในเราิดไม่ได้แต่แต่รู้แะน่ธรรมลอโลกมจีไหมเอาแตจใจ ใจเอย่างนี้ตเตานะเาทธรรมะเี่าถอนกิเลมันจะเป็นธรรมะตน่ะแตกันแเราทานเลสปัามันกเกิดเป็นกิลสัญหาขึนอาในใจแตเราแล้ว แต่ทำอะแต่เราเหติดตาหรือเมที่เรทานี่ปฏิบัติใจั้เ็นทุหรือทำไหมหรืมอื่นเทำอะไรมาทำเลือกแแต่ม่รู้วัวไปคืออะเ็นมันู่น กดูคุณเจอแหนเหต เ, เ, เป็นธรรมะมันเป็นธรรมะได้แกคือเปลอิตแสดงจิตมเป็นวเป็นต้นแต่ตนนี้จะมองเนเหตุตนี้อะแบบต่พลาเป็นความกความทุกข์แผลความจําได้เียแต่ปัญญาอารมณ์ ในความปรุงในจิตในใจหรือเร่องงนหรเรื่อง่อตัวเาเเงืาอนอยู่อวูเรื่องีแลเป็นธรรมะเราจเรือง่นเป็นธรรมะเรื่องจำหลักจำลอยจำธรรมะเป็นอยจำลอยนั่นเลยจำแนกอยู hmm. ่จะตะ้ตะกีดัดอะรเลยใจทำใจดีใจเชื่ออะไดีใจเดือดให้ทำลย เราจะเอไเละยนว่าเราจะโยนปา้ลาหรแต่ว่าเราเราจะาัมล้มาดบตกัจะได้ยินยินดีกับเราดบตกัเราไปเไเือัาอย่างนั้น ตรมมะสื่อความรู้ใจฉันรู้แันสอนสอนสมาคาลยสอนสมตายนะใจของเราพอตายใจนี้เป็นที่เกิดของธรรมะเป็นจิตเกิดของจิเหลุดปัญหาจิตเกิดเป็นธรรมะเป็นเงินจากการที่มิจฉาเน่าจึแตกต่างแตกต่างเห็นคามเป็นจริงที improving. Improving. Improving. Improving. ่ห เราเหยียดเ็นรถถ่ายเดียวเ็นรถข้าวป้ดอะไรตลอดอย่างไรนั้นการจะแต่แเหยียดเดียวไม่ได้ใส่แต่าความเป็นจีนแท้แบบจีนแบบนั้นมันเป็นอย่างไรหรือการที่เจนายทำเนี่ยนะจะที่เจนายเหยียดจีนแท้ก็เราะว่ามันเสียแรงเสีแรงไปตามเขามันดีมันเสียแต่ดีเืียไปตามเขา แต่เม okay. ื่อเราิหม่ยห็นความเปลี่นเนืจากอั่านนั้นจิตตตาทนะจิตปฏิบัติทำนะจิตโยกเข้าอะรนะควาเป่ยความเปลีั้นถลอดไหลเลอันเรืออยู่ทกตกค่วาเะตายหรอะตายรู เังไ่ตัดไปรูพตัวใจจะไปรู้ไม่ผ่านไปยังยังเขาใจอยู่นั้นก็ยังเป็นทูกอย่างนั้นบาดเกิดแม่เด็ตอเลี้ยงเด็กของคลุกเป็นคำรรดาเล่นแต่ตาตูดตูดขาตาเกิดเป็นทุกเป็นทุกอย่างไรนั้นนั่งชอบกินเนื้อแข็งแข็แต่าแม่ิเลยวิง พามนนูมแล้วแต่เรนไปหลงไปไนเลยเก็บตั้มนั่นนะที่มนติดแนนะเกิดหน่อยมาต่หลงอีมันจะอยู่ยางนั้นคาเกิดเป็นทุกข์กาพโลกนั้นต่ไทางนว่าเราเปิ ด, ดมาควาทุกขต่างแน่นะมันมีทุ้ผูู้ันเราดูได้ แต่จุ่มไปมันมีทุกมันเกินมีทุกมัเียแต่ันเอาเสียนียางออกไปลุเอาใจมาขี่ะอนสวัสดีอ่ะมนทุกตอนไหนเกิดพวกมันตอนมีนะเพาหุพอเกิดเป็นาเหยุใหเหตุทุกตอนนี้ตอนไหแน มันปวดปวดเหนื่อยเหนื่อยเดินนานลปวดปวดปวดขาเหนื่อยล้าเหนื่อยฟันนอนนานๆคนมีอะไรที่จะติดจะสบายไหมเจ็บนอยากนอนมันปิดมันสบายนั่นคือในวีดีที่เจ๊แม่ทำคลิปนั่นเราลองดูเพื่อจะเห็นเดียนนานไหมไม่เห็นไดที่ไหนนอนเดียนนานเลยเฮ้ยจ๊ กินแบบหน n อยอยู no ่ใอิเล็กเตอร์นอั้นถ่แบบจะรัดตัองฟังกันนั้นมันุกมันกระด่ายปรันะแต่ม่ายเยเวลาเวลาดเียราได้ลเรอาดานีอยู่ในเ้่ยจะรับ นอนเงินสบายยืนเงินสบายยืนเงินเท่ามันจะเกิดคุกกองของตายนี้เป็นกองของคุกนอกจากนี้คุกกองอุตนเยียนเยียนจะมีอู่คุกไรยะเราเคยแต่เกิดพวกมาเด็ตามเท่านั้นเราเคย่าเรยเรากิดพกคุกเคยนะ เปลือกหน้าเปลือกนเปลือกตาเป็นแบบเป็นไอเป็นไข่เป็นหน่าต่างๆมันเคยเป็นดเพศเมไปแล้วแต่มันเ็นที่เจนมาเบียดท้อุกแต่มันเบีดมาจากคามเบีดทองปวดเบียดมาแล้วนิดเจบทุกตีทุกเป็นนิดนั้นเราอาศัยการนั้นแบบักาเปลือกอีกแบ เหน่อยาก็รกพักแตหนาก็เดินเหือยเหือมาก็พักเหนือเหือยในตอนเดินพักในตอนนอตานนอนไปเเหมือยเือในตอนนอนตอนนอนไปดินไปดนเคลียร์เหนือยๆกพมันไมอยู่ตลดลว่เที่นม่ไม่เคยขึ้นป็นาอนางอใครเอ อันนี้ที่กมาเดี๋ยวสติเดี๋ยปัญญาใจรู้ใจเหพักเปล่ยนในทุกแบบยังแต่ทุกในใจนั้นจรักใดีแบบใครแบบสิ่งของมัมันมีอยู่อย่าั้นมันเปลีมาตามเรตุของมันรู้ไหมก็เป็นอนนีางเลี้ยกันติิดมั่งเล แล้วก็ต่ออยู่ต่อไปนานั้นาะอ่านั้น่านนน่อา่นเขึ้นและแปลปล่ไปนั้นเองึอได้จะหหลอขคอีก่อหนุกเอกตอุก แ่ใจทุก <intent>? ข์แต่ต้องยึุกข์ความเนเราเาาใจของนตัวตายนินตายอย่างนั้นตื่นตื่นแต่ิต้องทนต่เราีลุกนี้เป็นของ้กจะหลไหจิตใจ่จะจำเนยใแต่จิตใจเนี่ ในปัญญาที่จะเกิดขึ้นได้เพราะทหลงไหลแต่เรไมมีคุกไมีคุกเมื่อไหรก็เป็นวินลัพปัญญามันแล้เาเกิดปัญญาเท่านั้นี่นี่ที่เนเนียไม่เห็นต้องคุกหรือไม่ได้แต่ทุกอะไรเราจะเสกเสร็จแล้วมีุกในจิตในใจพอแต่ทุกเ ในเราลูกจะเสีเส hmm. ีาสออนหรือไม่องตอนมันจะอิยาเหาแาิยาเราอนั้นที่มินที่เราไนั้นเป็นอย่างไรเนุว้เนเป็นทก้ไ้จิตใจรนอย่ง ลุกทักเตือนมาตอบามาที่จะมาาที่จะมา่รู้เตามืเเ่อกแหัดผู้ปฏิบัติา่นที่ามาที่ะาเที่ะหีจไป้เมแล้วจะตอบบเือนโดยาอน ก็จะมาดูกตาในปฏิบัติธรรมว่าพอทุกเกิดมาถึงอยากบแม่หแล้วไรยมเสียาใหุ้กห่ไปจัดตาจัดใจแต่กรณีใครทได้อทำได้ทุกกรณีแห่นันนั้นจะเกิด่นั้นนันเป็นกรณีใ คือจะตายไปจะเสียไปอย่างั้นาแุแเป็นธรรม่าเยกแดดนั้นท่านกงท่านไปย่เกี่ยวกับุกุ่เาเป็นุเนเป็นธรรมดาเนุ่มันเป็น ยังดีบท่านบรนทอนตอนตุกของตัตัวเป็นทุกมันถือแดดนะแต่ท่านที่พาลเมยแต่ไหนทานขนทุกข์เอาชนะทุกขนั้นท่านจะต้องกหนดดูเป็นหยดจับหยดหาในเมย์ในทุกเมย์ท่านจะต้อที่จะเมย์มาแต่เรต้นเริ่ต้น เมืกขนัืมันเ้นมาไม่้นาจากอะไร่วเท่ามันจะไปสเพนิดงเปยนอตใหม่มันจะย่นตัวาดือดกข์เพราะทุกข์มันแสดุนี้เ แกเราแล้วพระพุทธเจ้ามาเปิดแล้วมาสอนแล้วใกหนดุกใพิจารณาุกรูุ้กตามเป็นจริงถ้าลราเบียดทุกในพิจารณาทุกติที่เบียดคสอนของพุท้นนี้คือจะเคุกบ้าเพราะในตื่นทุกในพิจารณาุกนใน่นเน มันเกิดเกิด่ะเหมือนการจัดคนึ่ยคุณเวทีแต่ที่นั้นม่เกิดอะไรกันนครารร่วงพัมดรวงพันแต่เวลาร่วาพัมันเกิมีทุกข์เกิดสิ่งมาเป็นแม่ที่ท้องสุกแบบปฏิบัต่จต่องกำหนดคุณไม่เ้องอะไรนเกิดขึ้นมาจากอะไรกันเลยถูกไหมใช่ไหม เขาทอเต่าเหนือเหนือท้องต่าอวนกระดูกท้อ่าเขาเนั้นเขาแบ่งยัดทุกนันหรืออะไรมันเป็นทุกข์มากไม่จะต่อยติดต่อทีนี่ที่เจ้านะเรลาต่อยต่อที่นี่ที่เจ้านะไหลยงเหล่ยงองทุกข์ดีนั้นแม่จะได้คิดอะไรไม่จะทุกข์มากในขณะไหนเราจะยังไงไรู้ไปใส่ใจเรื่ทุก เป็นจิตใจละเอีห่ตอยู่ในเ่ทแนเ่อทาาด่ันดมันดมันเป็นทุกอะไรคือมันเป็นทุกื่ออะไรมันจะิดตามาอเร่อตไปไปหลเืออาาหรือพระนามเรตองา ว่ายินดีแต่คาันเป็นกจะเรื่องอะไรนี้ั น, น, น ด, มดมีมาไเิดาาเิดาไม่มอยงเลยันเนออยเเเรูเคะสัญญา้า น, นยา่น อ, นนอะไรนี้มันเป็ น, น, นเีน่ยวข้องไนเุ่นั้น ตองกำหนดเหน่อยลงไปเหนื่อยขนาดใอมันเป็นตาย่มดูบ่นแต่มันเป็นุบเป็นร้อนอะไรมันมันดีใจเต้ใจในการเป็นอยู่หรือทงไหนายเท่าไหร่เปล่ยนฟุบนั้นนั้นเกิดขึ้นนั้นแต่แปรปนและแปรผันเหมือนกันเราเคยแต่จบโทษไหมรับเลยเถิแต่เวลาสู่เวทนา ไนึ่เท่านั้นจะเอาใจแค่หนึ่งนั้นจะเป็นคนมีความเกทนมีความภาคเทียนอยากดูอยากเห็นาจรจริงขอทุกนหนดอยู่อย่างนั้นมันจะปลี่ยนเป็ขนาดไหนมันจะเป็นอย่างไรมันยึดของทุกใจของเราไปยึดถือไปเกาะไปเกี่ยวถามันไปกาะไปเกียว เมื non, ่อใครทุกเรื่องตัวมเป็นใจตึงเมื่อใครจำเลยยืมเงินหยดไหวถ้าเราทุกอย่างจะด้อยู่ในอะไเราจะได้ยังรูกักที่แต่เอาใจทำนี้ายเป็นทุกข์ขับดูดตาทำให้ดูดตาสอับดูดตาจะตาแยจะได้ี่ ตีแล้เหน่อยตีเื่อยม่อสู้ตายเหอยจาดีใจตายเหาะจนายหนุ่ยเท่าแขนนะคเป็นหยักเลยีกัีตีตาอาะจนตายเขาตีแบบเป็เป็เียบเือนนอกจากทีแบบแต่ถนอมเยอกันถนอมต้องเจ้าตีแบบเป็นเกียร์หยักตัวแลงหัวากระโด กำหเราอาจเดินนตามันหายแลือมันเกลีดเาแล้วถ้าเรหลบเวลาเนี้ยข้แม่เราจะมีเกลียมาอีกมัน่เยมีอีกเกีทุ่เราเกิดมาเกลียดมาเกลียดความตายมันมีใครที่จะหลีกเลี่ยนไอ้ไหนบ้างจะแต่ปัญญาชนที่เกลียดแม่ปัญญาชนนี้มีก่อแล้วแม ใจเราจะเพ่งพุกพละแรงเรื่อยไปถ้าใจไม่รู้พุกเป็นอยู่มลื่อยอยู่ม่ไรมันยึดถืออยู่เมื่อไรยังยึดไวทุกเป็นเตลเเป็นทุกมันจะต้องเปนากเรื่อยไถึงอย่าเราจะจำเหนื่อยู้มันจะแบ่งกินไปไหนมันจะระเบิดออไปน แต่ทเหมือนลูกระเบิดแล้มันอกีงตายเราตั้งเ่ยกาใหญ่นั้นเมื่ออะไรทุกแต่ป็นของจิตในจิตในใใเหวทุกามเนเปลียเลนเความรู้ในดอัตจังสึเราจะสาธุหรืออย่างนั้นมันเหลือที่ใส่ถ้ามันเหลือส้ เอนี้ทานไปลนขณะที่ตุกทึกในวันแต่กระดมคืออาจารย์คือมันทำมาสอา้แต่ทำเราเดือดตันมันไม่เหลือดูไปแต่ไม่รอมันขู่ว่า ม, มันจะทายอางนี้มันเป็น่าง น, นมันเป็นย่น้เราจะเลยกลัตาเลรทจะไหนื่อยเราจนตา ไ, ไ, ไ, ไปได้จะกลียดตาจนีตาไปเลยได้ ตื่ตั้งเลยได้อย่าไปกลวัมเนีือยงีอยู่อย่าัจมบลไปที่ไหนเยาำหนมันตอยู่ที่ไหนมนนย้พตามความเป็นจริงเท่านเอานักแต่ต้รู้ ความเป็นผ ah ู้นั้นมันมีอยู่สองประเภทสำหรับที่จะตดแบบเราติดกทรจนจแอืุกการจนจินนั้นจะาไปนนแางไปเมื่อุดจะดูเราจะไม่ยอม แล้นละความเปลี่ยนแปลงนที่ตกในแสดงเป็นถึงของมันมันจะต่นไป้ขนแดไหนแผนบินจยืนตัต่อไปตื่นไ้ต่อไปนั่นจะแสลงตื่นขนไหนแผ่นดินจะไืนตื่นไปท้กมันจะแขนาดไหนนันจนัเดียวกันนั้นเลย เพราะต่อไปเจอแล้วมันริ่มทมันะเอได้ขนาดห้ร้เลราเหนไกในเวลาีรู้คามเปนจรงตายใจรู้ทุกคามนจรงไอย่างรแต่ตั้งใจเป็นแบบนั้นดิมันจะเร็วแต่มันเมเรวไปมันได้ยึดเื่อตัณหาด ลงต่อยลงใส่เหงด์ลงใส่วางลงตั้งดับลงใส่คา่ไหวความสงอัศจรรย์เกคุณึนนึกวุฒิัตรเด็จิตเวียนดับสนมพิษเป็นไข่ไม่มีอะไรแล้วจิตหนึ่งดีอย่างนั้น เดือดก็ตานม่เเือเทน่นมจอยึดดถือดเีดข้าอกนี่คามเยี่ยมกสนุกเข้าจิตเมื่อ้ัจายกจวคือได้สดทน้้าจิตต เรต้องใส่ตาฟังพอเราได้ป่อบิมเราระนากุองเปลืเปลืขึ้นาเปลี่ยนเลือดใหม่เขับใส่ทุกนเหยีบเม่เปอกทุกขึ้นจะเปลี่ยนเลือดใหม่ถ้าทำอย่างนั้น เอาใจเท่าหลับทุกเลยได้เวลาปวดเข้าหลับเข้าเราไปตื่นไม่ได้แต่ทํงานเยอะสักไม่หลับทุกเลได้ไม่เต่อสู้ต่อสู้ได้ใจเทน่าใจหนึ่งเ้นหนึ่งนะที่เมีใจมนเกิดเป็นมาถนัดเลยเราจะต้องต่อสู้อยูเดี๋ใน่าทัหม เรื่องจิเรื่องจิตใจหลอกคบแบบแต่แสดงซึ่งเรื่องกายหลกทุกเรื่องการเข้าใจของใแต่ทำเ็มที่้งเป็นได้คือดคือดิเกอะไรก็ต่อคบแสดงซึารแส่ง เคยทำเาชีพแม่ท่านแต่เป็นหลักจิลงไปเคยรพอหลับหลานเส็มาใบสดคุกไม่ต้อันเรียนอยู่คปราอกอย่หลคุแล้ตอเข้านาชีพเ้นาบัตแต่ใจ้าเราจะกค้งส ดองไส้ก่ะนั้นดึงกระนั้นแบบท่านก็เอาเลยนะเออท่าสนดึงกระนั้นดึงกระนั้นแบบแต่การดึงนั้นไส้กระนี้นทุกยิงยิงไส้กระนั้นทุกข้าแต่ทุกนู้ดึงตึงหนึ่งตึงไม่ใช่จิตไม่ใช่ตาว่า มันเป็นเื่ออันดงอนตามสแต่จิตนั้นได้เปี่ยวข้องตัวทำมันตสดงไปอย่างไรจิตแต่วาแตรู้เห็นความแสดงให้เงินพักเปลี่แต่จิตนั้นจะได้เป็นทุกข์ตามเรื่องของขันที่มันแสดงอยเมื่อมันเป็นย่ง้มันจะแสดงไปอย่างไรจะเป็นหนสิันแต่เราน่ หลวงแต่าน <departed? |mt|> ั Donc, ้นเป็นทุกข์เมมันขาดจากใจใจทัดเตียมหยาเนีมันจึงไ่มีทางเข้าใจากุกเป็นเราเราเป็นุกข์ใจขาดทุกก็ตัดแตะทุกข์่คือนทุกขกวเาเป็นุกขรือคือหนึ่ง ดูแต well, so well, the ่เพื่อปฏิบัติแต่รู้แตพอใจเรื่ององคุกต่รอใจอย่างนั้นมัเกิดขึ้นตอนใดเวลาใดอย่างไร่านก็จะดูหลงใหลไปตามเรื่องของคุกเรื่อุกตอนจริงๆดักกันดุอจิตในตัวเกาะแต่ในเรื่องในเรื่องของทุก จะ้ะเมื่อเมื่อตอนที่ทำบดได้จุดหนไปแต่คือคนได้เสนออยู่ก็เป็น่นรื่อาทอคุกเป็นเร่องท้ันที่ทำดาสมุกให้ก่ า, ห า, า, หาบบหกให้เ ก, ด, กดนั้นนั่นไม่ให า, นน า, นานน่นั้นจะจะถ้าไม่ไปถ้าไม่ไปเกิดทุกข์ขึ้นแล้วเกิดเนั้นอึนั้นเจ็บ เราเป็นทุกๆจังหวะมันเยอมันอยากแทงแผลเยียมทุกๆเราต้องใชมจากนอมนั่นแหละความยานเน่เนี่ยเยี่ยนเ้าเป็นทกๆรอยากใเราไม่จะเรียนรูยนย้วิธจะแผลไปติดจะได้ยย ไ, ปยยยยไป้แม่จ่ามันเราเป็เกลดตังยย้งแ ในจิตในใจในจิตวิระทุกเป็นเมมย์เนทุกทุกพอเป็นทุกเดียร์ใจใจยึดใจถือใจเป็นทุกขึ้นอีกถ้ไม่รู้ตามเปิตเท่นั้นแตนั่งจิตไปปบัติเอเวัดตาจิตเอนพานในจิมฆแห่สุจาไทยธรจักทุกบ ทุกายใจยดังตัวใหญ่ใจขนาดันใครอเหื่อยใจเนื่อยใจทุกทายมันยังยังจะได้ดิแต่ดูวรูปเป็นธรรเรื่องทุกทาใจนั้นจะเป็นสุขเติมเต็มใจดีใจรำพันแต่มันเป็นหยักมันเป็นหยัมันเมือน ในจิตในใจทั้งท่าน i ุกในท่านจะเป็นพุกจิตใจิตจะไปยุดไมื่อคเ่อในท่าแขนแต่เราจิตใจรถึงขั้นจริงจังไมขาดไปตกไปไม่หมดไปแต่จะรู้จะเข้าจนั้นแต่พราะอาศัยเราตัใจแต่ลืบต่ดไปในใว่าตองนี้มันจะเป็นแต่เห็หญนั้นหรือเอาไว้้ เราทำได้อย e ่างอย่างนั้นเราทไมเป็ีะยเ็าเ็อยาทิดแต่มันเกิดขึ้นเพจราดูะยิที่มันเกิดขึ้นปนกสายแตปนเรารอยู่นมาใจใจหนึมีัแมีธรรมะ ถ้ามันมีธรรมในอะไรตัวเสื่อมตัวขตอนเป็นจริงของมันอย่าจิใจอย่าไปเลี้ไหลใส่แต่ใจเจริงหลนมันไมนเกิด้มกวบบใจเป่นใจเป็นอย่างน้นตกแตของเราจิตกระตุกหันอางถ้าอันยาเป็นธรรยักษ์ผู้พุทธเจ้าแสดงธรรมะต ใจก็เหนื่อยที่ต้องเจริญไปรู้ใจอนุ้ใจอนุใจหรือใจหรือใจนอะไรกหนื่อันอยากกินใจเลยอยาห้ใจท้องแทนอากใมีคามเกิดขึ้น่นเ้นใจมีวกม่ใจในเลขงขัดแข็งแรงหดเวลาอู้ มันเอย่างนั้นคุณไปรู้ไปเห็นแต่สิ่งนั้นนั้นเกิดขึ้นตังอยู่ายไปมันดับหม่จะไปร้ในใจที่เปีนคือดับดวงตาหยุดทำใสใจในธรรตามเป็นจรแต่มันนจริงในจในใจอย่างนั้นนั่นเลยมอะไรที่จะแงใสในใจแต่พวตัวทัความดิบาาย เร่งนอนแทนนั้นในเรื่องอันื่น่นกอเกี่ไก็คือเรื่องยเรื่องนอนแทนนั้นแต่ไม่รู้เรื่องอะไรนี่ตอนจริงๆเท่านั้นไม่จะบอกเป็นแห่แบบเป็นห่ที่นแป็นห่ในจิตใจเ่นั้นถ้าเขาจิตจำรถเขาพูดอย่างไรแล้วูดตามเขาแต่จิตใจเท่านั้นเล้งหลงยึดถือกันหแล้วจ้ ถ้าได้ติดในใจเท่าไหร่หรือการติดการป้ิบัติทำนี่ทุกคนมีติดที่จะรู้จะเข้าใจแต่ติดมันจะเห็นจะเป็นระเอียอย่างนั้นก็าควรู้ทุกปฏัลื่อยไฟจะทำอะไรบ้างดูบ้างล้างเไจะมองไปดรายละียด แต่ละขั้นตอนต่างกับขั้นตอ t เท่ามีทางที่จะรู้กับใจได้เรเรียนนั่งคือเด็กเต็มแลวก็ไม่รู้ในใจอะไรหยุดตัวแต่เรียนไปเรื่อยๆเาจะรู้ยันใจมีความตเรียทแต่ท แบบที่ของมันภาพขันของเราแต่กำเริดเดียวกันแต่คุยมาแต่ใจทักเปลี่ยนแบบนี้แบบรูปที่ไรรูปมันเลยมีความเหม่อล่ะฮะหายเอวก็เป็นแบบถ้าเป็นรูอะไรที่เป็นเลี้ยงไหลไปยึดถือแบบเป็นหยุลองหยุนี้ เมื่อนั้นที่ใน่ี่น่เ่มันจะถายไปเข่ารูปเข่าไปเลยหนดในจิในมัจทได้่มันเกิดขึ้นและแ่มันจะมาเลยใจรกหนดมันรู้ลไ เราได้ i t กบาดท้องมันไปใหญ่เนที่ตกระยะนี้จิตใจไม่จะรูือมันหนียกผีลลนันเองดูหนอมันเป็นใหญ่เลตลอดานตลอดเสราที่ใจนม่ก็เป็นอยู่ใหญ่เลยเราที่ใจแม่แม่ป้เลียท้องันันก็เป็นอยู่ใหญ่เลยเราจะไปเลี้ยไหลจะรู้ทำหน่ยจิตใจ เรื่องยบอรสิแม่มันจึงถลยลงไปลยลงไปเือจต้นเอราจมีความาลยมจะรู้จะแพ้ใจในผู้บบาม่นจะีนอมีนแน้จงก็จะ้ใจไเียเ็เป็นอาณ์าม่า นม้เงินวิทยไไปอกับรูกับเรื่องอะไรทนต่ว่าินยังมีอยู่เหมือนกันับเราเอยู่ั้กเราม่ได้งแต่นที่จเายังแต่ก็ยันอยู่มาดูไรก้นออกาดูนอยู่นั้นแต่เราน มัน n ะยึดถือคะอตัวจะเป็นทั้ดีทั้นี้ดนยันีนรขงังตนะดมจะได้ถยจะเน่ไกเรื่องวาจิตจิตของจิ่นั้นามิ เป็นกลาเป็นเรื่องไรแต่เราจะรู้กอมันแต่มันเป็นเ่อไรเห็นม่จริอยู่ในจิในใจของเราเป็นอย่างนั้นเป็นิตติดเร่ได้ิดในใจได้แตเวลาที่ึอยาืนอ่มันได้นมันจะได้แบบนี้ มันจะต่อเปล่ยต่อเขี่อซนที่แหมดูเดี๋ยวเขาติดเสีอยู่ตลอดเวลามันจะเปลี่ยนแลอย่าไเล่ไวลยืดหดอะไรเนีดยแต่มันีมันยืดติดไปเวนไปที่เวลาไปเวียดรายยาติดติดมันเป็นอย่างนั้นนั่นเลยดูภายนอก มันดูเลือดของตั้งฐานติดติดขึ้นจากใครเลยตนอะไรติดปัญญาททุกการทุกข์เสอเราดูยดใเป็นเ็นแบบน้นเราเกิดขึ้นไม่จะดับใครเกิดขึ้นไจะดับใคใจรีดเห็งในจิตในใจในวันเถอาดจิในเอ a ันละเอียดมันเป็นอย่างนั้นตอนต่นบเนี่ยมันหมดเือไปมันเป็นอย่างไรัแต่ตันไม่ิดตอเลือัเลือัเลือิดง่าวน่ดเนในใจดีิดใสอยากละเอียดอะไรดีอันนี้มันเป็น ขัน้ น, น, นอของนมันยังเปิจินนตตัววิจิเป็นอย่างไรพอไปถึง น, น, นไหนันจอรจะอะไรอตในโลกเป็นลกแก่ไหนที่มันิตจมได้แไหนความที่เลยไหลหยุจะมีรทำการสืบให เดี๋ยวใจจะไปเพื่อปฏิบัติใส่ความีเรื่อยต่อถูกไหมครมควรสิ่งจะรู้ไหมไม่พลาดดีหรืออะไรที่จะนะจะบันเทิงอีกข่ามันจริงทำได้ดีสมันเห็นทำาด้ดีสุดแล้วไม่หมดก้รแห่ที่จะเดี๋ยวอะไ้งรู้เดี๋ยวทั้งนั้นนั่นไม่เหลือ มันไม่ติดมันไม่ติดซิงเกอริต์สิงหล่านี้ซิงริตคืออะไรท่านคอยตั้งเหมือนแต่จับในประเทศัตกรับของอะไรอยู่แต่มันเป็นอะไรอีกการรับของรสิ่งที่มันยัง้ิอยู่ามันเป็นงจังเลยอมันึงมันเป็นอันนี้ มันมีที่จะบำเพ็ญอยุดไหมที่จะละถอนหยุดไหมที่จะเิดปฏิบัเมตถสงหขันไหมเสรมีทางเฉลิม่น่คือาระเทิดปบัตงห์ขนห์ริสิกทุกคนย่รู้ย่เข้าใจในตัวนอื่นก็หวอย่างนั้นอย่างนี้แไ โดการเล่นปากเล่นเศษมันเป็นอย่างไรท่านใส่ใจไหมท่านากได้เศท่านกอจะเล่นแทนท่านก็เหนื่อยีท่านเหนื่อเชื่อท่านมาท่านเหนื่ีท่านน่ยความริสุทธิ์นั้นจะดผัวไปไหนมีท่านก็เหียริอยู่จรวจนกระทั่งตายหรือ มันเป็นใแล้วมันมีตอมยวา่อน <Okay, S 2> ่มันร e ู <and S 2> Teddy, ้แล้วมาเนี่ยงดรู cockpit, ้ม right? ันเป็นปเลยมคือ so ันอยาทาชิตแผ่นดินต้องจเย แต่ลืมใจจำหลักจำหลักยังไจำาวลืจจำไม่ได้คือเรื่องการสื่อแต่สื่อแล้วแล้วจะต้องเด็ดสึกถึงขั้นเด็ดสึกบางคนยังต้อถ้าไม่มีอะไรติดใจ ติดยาเราจะยั้งซ่อนจิขอเรเนื่อยรจะยั้งซ่อนไปจิตใจรอเือยเราเราเหนือยรล้วเราเหนือยเราจะยั้งซ่อจิตใจนรู้สึกให้จิตใจใจอินใจจะยั้่อบแบบอย่างไรแต่เรื่ององอัตภาพกังเสียใจจะยึดจะตีบจะเกิดทำให้มันเกิดเกิดติดเองแต่เราไม่จะยึดจตีบ แล้วมีเท้ t ที่ระเต้นไปมีเท้าที่จะถัดไล่ y วามหลงใหลความดีใจเสียใจอดใจไม่แต่เราจะเพื่อจะที่แบบการทำไมถเราเพื่อใจนั่นเกิดขึ้นอย่างไรล้วจะผ่อนเป็นการที่ติดตัวมีเท้ามีเสมจะแม่นอยู่กับางเยือนอยู่นันอยู่กับทางตเท้าเราละเอยดตท้าเราหยาบติดท ตัวอวัยวะตัวอวัยวะภายในเลือดเลือดไหลผ่านเสียดเลือดไปไก้ามีอะไรด่เวลาอยวี่เนเ่อปิั่งแราลือดจะติดกั